เย็นมากแล้วลุกขึ้นมองไปรอบๆตัวโอ้นั่นมันท่างน่ากลัวแล้วเกินมันนั่งเลี้ยปากหาออกไปห้าวาเท่านั้นมันมันข้างเสือโคร่งตกใจกลัวจนตัวแข็งอาวุธสักชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวจะวิ่งก็ไม่ทันกวาราสุดท้ายคงมาถึงแล้ว การเดินทางอันยืดยาวสิ้นสุดลงที่ปากเสื อ, อ น, นี้เองเสือโค่งใหญ่จริงๆนั่งเลียปากจ้องมองอย่างขิวกระหายมองไม่เห็นทางรอดเลยเอาละ่ะเห็นทีจะต้องใช้วิธีพระอริยเจ้าทั้งหลายปฏิบัติสืบๆกันมาพยายามเรียกร้องความเข้มแข็งทั้งหมดกลับขึดนตั้งจิตแน่วแน่เาพเจ้าสลากเพศคารวาส ออกบทในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาข้าพเจ้าสละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอยาก่างรวมทั้งชีวิตและร่างกายนี้ถ้าหากในชาติปางก่อนข้าพเจ้าเคยก่อกรรมทาเวรไว้กับเสือตัวนี้ขอให้เสือตัวนี้จงหักคอข้าพเจ้ากินเป็นอาหารซะข้าพเจ้ายินดีพลีชีพใช้นี่กรรมเก่าให้หมดไป แต่ถ้าเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันในชาติก่อนขอให้เสือตัวนี้จงหลกไปตามทางของตนข้าพเจ้าจะได้ไปตามทางของข้าพเจ้าต่อไปอะไรกันนะั้นเพราะอธิษฐานเสร็จเจ้าเสือเสือครูตัวนั้นกระโดดหายเข้าต่าไป ล่งอกเหมือนยกวกเขาใหญ่ออกไปจากตัวเหมือนกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวคว้าบาดและกรดรีบเดินทางต่อไปไม่มองไปทางข้างหลังอีกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เผชิญกับสัตว์ ร, ร้ายต่อไปไม่ต้องกลัวอีกแล้วทำวิธีนี้สัตว์ ร, ร้ายก็จะหนีไปเอง ท่มากนะเหนื่อยมากคืนนี้เห็นจะต้องค้างคืนอยู่ที่นี่แต่ก่อนอื่นต้องขอบินทบาทน้ําำบึงแก้กระหายจากกระท่อมดินหลังนั้นก่อนแล้วไปหาที่พักภายนอกหมู่บ้านออกมีคนโผลออกมาจากกระท่อมพอดีเป็นชายกลางคนท่าทางล่ำสันบึกบึนเห็นที่จะเป็นเจ้าของกระท่อมหลังนี้ อขอเชิญท่านมาพักข้างไหนก่อนข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านตามมีตามเกิดขอบใจเออเชิญนั่งบนตังนั่นข้าพเจ้าจะไปจัดของมาต้อนรับท่านเจ้าของกระท่อมคนนี้ใจดีจริงๆเขาเดินหายไปหลังกระท่อมคู่เดียวก็กลับออกมาพร้อมด้วยถาดอาหารวางถาดอาหารลงตรงหน้า เ, ออเชินท่านบริโภคอาหารเหล่านี้ตามความประสงค์ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ตอนรับสมณพราหมณ์มานานแล้วนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าทีเดียวที่ท่านแวะมายังกระท่อมของข้าพเจ้าขอบใจมากอุบาศกแต่ท่านคงไม่เข้าใจธรรมเนียมของสมณนะธรรมเนียมอะไรนะท่านธรรมดาสมณะไม่ยอมบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงวันไป อาตมาเป็นสมณะจึงไม่อาจจะบริโภคอาหารฉลองศรัทธาท่านได้แต่ท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็หิวมากข้าพเจ้าคิดว่าท่านบริโภคอาหารก็คงไม่เสียหายอะไรจริงอยู่ในการบริโภคอาหารไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเสียหายอยู่ที่ว่าอาตมาล่วงละเมิดวินัยของสมณะที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไวน้นันต่างหาก ท่านออกจะเคร่งครัด อ, อ่อเบียบวินัยเกินไปซะแล้วเคร่งครัดเกินไปก็ทำให้ตัวเองลำบากนะท่านข้าพเจ้าเห็นว่าข้าวจำเป็นเช่นนี้ควรฝ่าฝืนระเบียบวินัยสบางตัวก่อนอุบาสก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 บ้านเมืองก็จะกลายเป็นบ้านไม่มีคือไม่มีแปรความเดือดร้อนวุ่นวายจะเกิดขึ้นทุกย่อมญานี่คือพวกที่ดึงเอาระเบียบวินัยเข้าหาตัวแล้วอีกพวกหนึ่งล่ะอีกจำพวกหนึง่งชอบดึงเอาตนเข้าไปหาระเบียบวินยัยถือระเบียบวินัยสำคัญกว่าตนเมื่อจะทำจะพูดอะไรต้องคิดดูอย่างรอบคอบซะก่อนว่าการกระทาการพูดนั้น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 ทำให้ขเจ้าเกิดความเคารพยำเกรงในท่านขึ้นอีกเป็นทวีคูณขเจ้าต้องขออภัยที่ได้ชักชวนให้ท่านบริโภคอาหารเพราะความไม่รู้ว่าท่านเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ขเจ j าพบมาดูกรดูบาศพคนเราเมื่อได้ตัดสินใจที่จะเป็นอะไรแล้วควรเป็นจริงๆ จ, จริงจะใช้ได้ถ้าเป็นอย่างครึ่งคึกลางกลางอย่าเป็นซะเลยจะดีกว่า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 อาตมาก็ปฏิบัติตามได้อย่างสบายเช่นเดียวกันโ อ, อ้ท่านสวณะผู้เจริญท่านทําให้ขบะเจ้าเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นกรุณาบอกขบะเจ้าด้วยว่าท่านรักษาได้อย่างไรขบะเจ้าเป็นคารวะรักษาศีลเพียงห้าสิกขาบทก็รักษาแทบไม่ไหวอยู่แล้วสําหรับคนที่ตั้งใจรักษาแล้วถึงจะมีกี่ร้อยกี่พันสิกขาบท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 นั่นแหละคือใจที่มีศีลหัวใจของศีลอยู่ที่นี่ถ้าจะรักษาศีลต้อรักษาที่หัวใจของศีลนี้ในทางบ้านเมืองพระราชามหากษัตย์ได้ทรงออกพระราชกำหนดกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากมายถ้าจะนับเป็นมาตราก็มีจำนวนเป็นร้อยเป็นพันทีเดียวบางที่ประชารชานไม่รู้จะด้สัมปาว่ากฎหมายอะไรบ้างมีกี่มาตรา แต่เขาก็อยู่กันได้อย่างสงบราชบุรุษมาจับเขาไปใส่พันธนาการก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรหรือทันเพราะเขาปฏิบัติตามกฎหมายความจริงเขาหารู้ไม่ว่ากฎหมายมีอะไรบ้างแต่ทำไมจึงปฏิบัติถูกทำไมหรือทันเพราะเขาปฏิบัติตัวใจของกฎหมายหัวใจของกฎหมายมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือสุดจริตกับยุติธรรม จะทำจะพูดอะไรขอให้สุจริตและยุติธรรมแม้ท่านจะไม่รู้กฎหมายเลยก็จะไม่มีวันผิดกฎหมายเ อ, อข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสในตัวท่านมากขออนุโมทพค้างที่นี่สักคืนเถอะท่านมีใครอยู่ในบ้านนี้บ้างล่ะข้าพเจ้าอยู่ตัวคนเดียวแล้วลูกเมียล่ะข้าพเจ้าไม่มีลูกเมียอาตมาจะค้างอยู่ที่กระท่อมคืนนี้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 จึงได้ปลอกเขาด้วยธรรมะทำให้เขมีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่โดยวิถีทางอันชอบธรรมท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้เสีแล้วข้าพเจ้าตั้งใจจะหนีไปอยู่ที่อื่นเร็วๆนี้ทําไมละ่ะอุบาสกการทํามาหาเลี้ยงชีพที่นี่ก็สะดวกดีไม่ใช่เหรอสะดวกดีมากแต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็เห็นจะต้องไป เพราะอะไรมีบางสิ่งบางอย่างที่ขเจ้าไม่ชอบหมู่บ้านนี้และขเจ้าก็ไม่มีทางจะเอาชนะสิ่งนั้นซะด้วยถ้าท่านคิดว่าอาตมาเป็นที่พอจะไว้วางใจได้ขอบพระคุณอย่างสูงในความปรารถนาดีของท่านขเจ้ายินดีจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งเดียวที่ขพเจ้าไม่ชอบในหมู่บ้านนี้ก็คืออะไรนายบ้าน ท่านไม่ชอบตัวนายบ้านถูกแล้วท่านผู้เจริญในหมู่บ้านนี้ข้าพระเจ้าไม่ชอบก็คือตัวนายบ้านนี้เองทําไมท่านถึงไม่ชอบเขาในบ้านคนนี้มีอะไรละ่ะเขาเป็นนายบ้านที่ร่ํารวยมีที่นามากมายชาวบ้านทั้งหมดอาศัยนาเขาทากินเลี้ยงขีดโดยแ บ, บ่งผลิตผลให้เขาครึ่งหนึ่งทุกปีบางปีทํานาไม่ได้ผล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 ไม่มีความกรุณาสงสารผู้ใดเลยเขาถือว่าเขามีอำนาจและก็มีสัพย์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำที่ต้องการไม่คำนึงว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนกันอย่างไรขอให้ตนร่ำรวยและก็สบายใจก็พอเวลานี้ขบัตเจ้ารู้สึกตัวคล้ายๆกับอยู่ในตาราง ลีนาขอให้ฟ้าผลอํ า, าอนวยให้ดีๆด้วยเถอดทานาได้ขกล้าพอใช้หนี่ในบ้านหมดแล้วข้าพเจ้าจะรีบหนีไปแกหมู่บ้านนี้ทันทีดูก่อนดูบาศกอัตมาสงสารท่านมากอัตมาจะพยายามหาทางช่วยเหลือท่านและชาวบ้านทั้งหลายท่านผู้เจริญจะช่วยโดวยวิธีใดอัตมาจะช่วยได้โดวยวิธีใดนั้นขออัตมาคิดดูก่อน คืนนี้ท่านนอนเถอะดึกมากแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขโขนนอนละ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 ก็น้ามาเล่นหรอกสนามกว้างขวางทั้งยังร่มเย็นเด็กๆ เ, เขาเล่นอะไรกันขนก้อนอิฐมาก่อทําเป็นรูปสถูปสูงเกือบถึงอกเอาอิฐก้อนสุดท้ายวาวไว้บนยอดทํายังกะว่าก้อนอิฐนั้นเป็นอิฐพิเศษคงเสร็จแล้วสินะเธอได้นั่งดูกันนั่งดูผลงานของตัวเองด้วยความพอใจ ถ้าทางชื่นชมกับผลงานของตัวเองมาอ่ะล่นทำอะไรอ่ะดึงอิดก้อนที่อยู่ข้างล่างออกมันก็ล้มละสิอ้าวหมดหมดหมดพังพลายลงมาหมดแล้วพ <c oughs> ังทลายเขาก็ก่อขึ้นมาอีกทาไมต้องทําอย่างนั้นด้วย <c oughs> ออ <c oughs> ในบ้านนั่องอยู่นั่นที่หน้าประตูบ้าน <c oughs> อาตมาเห็นแล้ว <c oughs> ทาเป็นไม่เห็นเขซะ <c oughs> แล้วท่านก็กลับไปบ้านก่อน <c oughs> ท่านละ่ะอาตมาจะอยู่ที่นี่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 จะกำลังทําอะไรอะเล่นกอพระสถูปฮะทําไมจึงวางอิฐแผ่นนะั้นไว้บนยอดพระสถูปละ่ะก็สมมติว่าเป็นพระราชานั่งอยู่บนบันลงังจึงต้องวางไว้บนยอดสถูปจะได้สูงกว่าอิฐแผ่น อ, อื่นยังไงละ่ะอืมเจ้าเล่นเข้าทีดีมากเจ้าหนูเออถ้าอิฐแผ่นที่อยู่ยอดเป็นพระราชาแผ่นอิฐทั้งหลายที่รองรับอยู่ข้างล่างก็เปรียบเสมือนเหล่าเสนาข้าราชบริพาร และไพร่ฟ้าค่าแผ่นดินละสิโทกแล้วคะ่ะอ้าวนั่นคงเสร็จแล้วสินะเสร็จแล้วะอ้ช่วยดูหน่อยพวกเราอะดหนด้วยหน่อยเ็หอย็ไยมบพกโลกะเอ๊จัดการกัมันได้ดียัง อ, ะอ่ะเา เล่นไม่พังลงมาหมดน่ะพ่อหนูเอ้ยการเล่นของเจ้าช่างมีคติจริงๆฉันได้ความรู้ใหม่จากการเล่นของเจ้าแล้วความรู้ใหม่อะไรน่ะแผ่นอิดของเจ้าสมมติให้เป็นพระราชาจะคงอยู่บนยอดสถูปได้ก็เพราะอาศัยแผ่นอิดที่อยู่ข้างล่างเป็นเครื่องเทิดทูลรองรับถ้าเมื่อได้แผ่นอิดที่อยู่ข้างล่างไม่รองรับไว้อิดที่อยู่ข้างบนก็พังทลายลงมาเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นอิดทุกๆุกแผ่นจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะทรงรูปเป็นสถูปอยู่ได้ถ้าอิดแผ่นสูงสุดเข้าใจว่าตัวดีเด่นกว่าแผ่นอื่นๆเป็นราชาของแผ่นอื่นๆไม่ต้องอาศัยใครนับว่าเป็นการเข้าใจผิดพ่อหนูเอ๋ยการเล่นของเจ้าเป็นเครื่องสอนใจชั้นอย่างดีทีเดียวสอนใจเลยเหรอคะการเล่นของเจ้าทําให้ฉันเข้าใจในสภาพของสังคมมนุษย์ ได้ดีขึ้นอย่างมากฉันเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่าบางคนเมื่อมีอํานาจมีทรัพย์มียศสูงกว่าผู้อื่นก็มักใชเข้าใจผิดไปว่าตนวิเศษที่สุดไม่ต้องอาศัยใครอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ได้คํานึงถึงหัวอกผู้อื่นใครจะลําบากยังไงก็ช่างขอให้ตัวเองสบายก็พอเป็นการเข้าใจผิดอย่างชัดๆทีเดียวเข้าใจผิดยังไงฮะเข้าใจผิดสิ เพราะขณะที่เขาประกาศว่าเขาไม่ได้อาศัยใครนั้นเขากําลังอาศัยผู้อื่นอยู่แล้วดุดแผ่นอิฐที่อยู่บนยอดสะถูปได้เพราะอาศัยอิฐได้หลายแผ่นที่รองรับอยู่ข้างล่าง จริงเลนะพ่อไบพ่อไปครับองปคนรยคนที่รวยทรัพย์มันจะเกิดความหยิ่งยโสคิดว่าตนน่ารวยแล้วไม่ต้องงอนง้อใครไม่ต้องพึ่งใครทั้งๆที่ตนกําลังพึ่งผู้อื่นอยู่ทุกประตูพึ่งยังไงนั่นแหละคนรวยรวยอย่างนั้นแหละถ้าเราจับเขาใส่ไว้ในเรือสำเภาพร้อมด้วยเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่แล้วนําไปปล่อยไว้กลางมาหาสมุทรคนเดียวจนตายเขาจะยอมไหม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 เออเราไปจ่าไม่น่าให้บ้านนะแล้วท่านร้องไห้ทําไมละ่ะนะดูสิมันนั่งกราบแล้วก็ร้องไห้สืบเชื่อื่นเออเกิดเรื่องอะไรขึ้นเลยอุบาสกเอาไปจ่ามีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นเบอร์อัตมาเดเร็วเถออุบาสก <JF> อาตมายินดีจะช่วยเหลือจนสุดความสามารถอาลุยจะเลิญเอาไปเจ้าเ อ, อิบบอกมาเถอะอุบาสก